คือหลับดีไหมหลับสบายไหมมีเพลงกล่อมทั้งครึ่งคืนเลยอย่าไปคิดว่าเพลงหรือเสียงเหล่านั้นมารบ ก, กวนเรานะเข้ามากล่อมเราเข้ามาฝึกเราฝึกอะไรนะฝึกสติไม่ใช่แค่ฝึกความอดทนถ้าอดทนฟังนี่มันยังยังทุกอยู่นะ อ่าแต่ถ้าไม่แต่ถ้ามีสติเนี่ยนะก็ไม่ต้องอดทนนะสติมันทำให้เราปล่อยวางไม่ไปรวมรำ พ, พันตูกับเสียงนั้นเสียงเพลงที่ดังมาตั้งแต่หัวค่ำน ตอนหนึ่งเที่ยงคืนตี1นึงเนี่ยถ้าเรามองมันเป็นปัญหานะใจเราก็ทุกข์จริงๆแล้วเสียงเพลงอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจที่ไม่ชอบเสียงนั้นถ้าเราปล่อยใจให้ไม่ชอบเสียงเราก็จะทุกข์ ที่วันหนองประพง์เนี่ยเมื่อสาปีก่อนเนี่ยก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้แหละนะชาวบ้านก็จัดงานศพแล้วก็มีหมอรศบหมอศบนี่เขาไม่ใช่แค่มีหมอลำมีหลายอย่างเสียงก็ดังมาถึงวัด ไม่ใช่แค่ถึงเที่ยงคืนน้ น, นี่เขาลอบถึงตีสามพระก็ไปขอให้หลวงพ่อชาไปบอกชาวบ้านให้ให้หยุดใช้เสียงหลวงพ่อจังกเตือนพระวา่าเสียงไม่ได้รบกวนเราหรอกนะเราไปรบกวนเสียงต่างหาก เราในที่ก็หมาถึงใจเรานะใจเราไปรบกวนเสียงเม่แถ้าก็ตามที่เราทุกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าใจเรานี่ไปต่อร้อต่อเถียงกับเสียงนั้นอาจจะลามไปถึงต่อร้อต่อเถียงกับเจ้าของบ้านหรือชาวบ้านอาจจะไปกลด่าเข้าในใจนะว่าทาไมไม่เกรงใจ เมื่ออาตามพิจัยเรามีปฏิกิริยาแบบนั้นเนี่ยมันทุกทันทีนะให้ศึกษาให้พิจารณาให้สังเกตนะว่าใจนี้ไม่ได้ทุกเพราะว่าเสียงมากระทบหูนะแต่เพราะว่าใจเราไปต่อราดต่อเถียงไปรวมรันพันตูไปจ่อสู้ ผักใสเสียงเหล่านั้นถ้าเราปล่อยให้ใจเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็สมควรนะที่จะทุกข์สมควรที่จะหงุดหงิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติรู้ทันนะก็ไม่ปล่อยให้ใจไปมีปฏิกิริยาแบบนั้นถ้าเรา รู้ว่าใจมันเป็นลกกับเสียงก็ลองปรับใจให้เป็นกลางกับเสียงนั้นดูความทุกข์มันก็หมดไปความหงุดหงิด ก, ก็หายไปเสียงก็สักแต่ว่ามากระทบหูนะแต่ว่ามันก็ไม่เกิดความทุกข์เพียงแค่เสียงกระทบหูนี่มันยังไม่ทุกนะไม่เหมือนก้อนหินมากระทบกับหน้าตาเราหรือเนื้อตัวเราเนี่ยมันทุกเลย ก็คือทุกกายคือเจ็บแต่ว่าเสียงกระสูเนี่ยมันยังไม่ทุกกายนะแต่สันติี่จิตปรุงแต่งจิตมีปฏิกิริยาเช่นต่อว่าด่าทอต่อสู้ผักใสนะไม่ชอบชังใจมันทุกสันที กายไม่ทุกขนะ์น่าจะใจทุกข์แล้วเพราะการปรุงแต่งเพราะปฏิกิริยาของใจพูดง่ายๆก็คือว่าเราทุกข์เพราะใจของเรานะไม่ใช่เพราะเสียงโอกาสแบบนี้นะให้เราถือว่ามันเป็นการมาฝึกเรานะว่าการฝึกสติของเราเนี่ยมันอ่า ก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วหรือว่าเราฝึกฝึกจิตไว้ถูกหรือเปล่าบางคนฝึกจิตให้มุ่งความสงบแล้วก็อาศัยความสงบของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเครื่องเป็นเครื่องกล่อมเราจนระทั่งกายเป็นการพึ่งพาความสงบจากสิ่งแวดล้อม พอไปพึ่งพาความสงบจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอสิ่งแวดล้อมไม่สงบนเนี่ยจิตก็พลานเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าฝึกจิตไว้ผิดนะฝึกผิดทางเอาจิตของเราเนี่ยไปผูกจิตกับสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งกายเป็นกลายเป็นธาตุก็ได้แบบนี้ที่จริงไม่ต้องฝึกก็ได้นะเพราะว่า คนส่วนใหญ่ก็เป็นงั้นอยู่แล้วที่ยังไม่ใช่คน น, น, นะสัตว์ก็เป็นนะที่พูหลงเนี่ยเวลาตีละครงเนี่ยมาก็จะหอนตีทีมาก็หอนทีนะตีรัวช้ามาก็หอนช้าหน่อยก็เหมือนกับว่ามันกาลังทะเลาะกับเสียงระครนะคล้ายๆกับชื่อหลงพ่อช้าว่าเนี่ยว่า เราทุกข์เพราะว่าเราไปรบกวนเสียงเราไปทะเลาะกับเสียงหมาชื่อว่าก็ทะเลาะกับเสียงะระฆังนะแล้วมันก็ทุกข์มันจิตของมันเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นธาตนะุขึ้นตรงต่อเสียงะระฆังถ้าเสียงรัวทีมันก็ร้องทีถ้าเสียงรัวช้ามันทางมันก็ร้องห่าง แต่น่ะเป็นสัตว์นะมันถูกครอบงำด้วยเสียงมันไม่สามารถเป็นอิสระจากเสียงได้แต่คนร้อนนี่เป็นเวนยัยสัตว์นะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ถ้าไม่ฝึกนะใจเราก็จะเป็นท่าของเสียงไม่ใช่แค่เสียงะระฆังหรือเสียงดังเสียงอื่นด้วยเช่นเสียง เสียงต่อว่าด่าทอพอเจอเสียงดังหรือเสียงต่อว่าด่าทก็งุหงิดแต่พอเจอเสียงชมก็เพลินนะอันนี้ก็ถือเป็นธาตุของเสียงเหมือนกันแล้วก็เลยติดคำคำชมคำชมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวอาจจะเป็นถ้อยอคำหรือเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ มีหลายคนที่เล่นเฟซบุ๊กนี่ถ้าเพื่อไม่กดไลค์ให้จะมีความไม่สบายใจเพียงแค่ไม่ชมเขาก็ไม่สบายใจแล้วไม่ต้องพูดถึงการตำหนิหรือว่าวิจารอันนี้คือการทำให้ใจเราเนี่ยนะเป็นธาตุของโลกธรรม โลกธรรมก็คือนะคำชมคำสาเสริญคำติชินอินทาเป็นท่าคือว่าถ้าเจอคำชมก็ดีใจฟูถ้าเจอคำต่อว่าก็เสียใจแฝบเจอเสียงเบาๆก็สงบพอเจอเสียงดังก็พุ่งพรานนะแสะสาย อันนี้เราว่าเราเป็น่าตนะของเสียงเราต้องฝึกจิจของเรานะให้เป็นอิสระนะจากสิ่งเหล่านี้เพราะไม่งั้นเนี่ยใจเราก็จะขึ้นลงไปตามสิ่งแวดล้อมแดดร้อนก็ทุกฝนตกก็ทุกรถติดก็หงุดหงิดนะเสียงดังก็ กระสับกระสายนะถ้ามาปฏิบัติธรรมนะในวัดเป็นเดือนๆเป็นปีๆแล้วจิตยังแสสายหงุดหงิดวันไหวเพราะเสียงอันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ก้าวหน้าเลยนะหรือว่าที่ทำไปนี่ก็อาจจะผิดทางด้วยซ้ำ อย่างนี้ไม่ต้องฝึกก็ใครๆก็ทำไดนะ้เจอเสียงดังก็รำคาญเจอเสียงชมก็ดีใจนะไม่ต้องฝึกเนะี่ยใคๆก็ทำได้หนะมามันยังเป็นอย่างนั้นเลยนะชมมันมันก็ดีใจด่ามันมันก็มันก็หงอยเลยให้เรามาฝึกเนี่ยเพื่อให้ใจเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแต่ก็อ่อนโยนในเวลาเดียวกัน เข้มข็งคือว่ามั่นคงไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาเจอแรงลมอะไรมาก็ไม่สะเทือนนะอ่อนโยนในความหมายที่ว่าปรับตัวได้ทุ ก, กทุ ก, กสถานการมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์อยู่ได้ในทุกสถานการเหมือนกับรถยนต์นะที่ถ้าเป็นรถยนต์ที่เขาผลิตไว้ดี เจอทางวิบากก็ไม่พังเจออากาศหนาวหิมะตกก็ยังขับเคลื่อนได้อยู่ในเทสไซก็ยังทำงานได้หรือเมื่อคอมพิวเตอร์ก็นะคอมพิวเตอร์ที่มันทนหนาวทนฝนทนกระแทกเครื่องยนต์ของรถยนต์หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยแบบเนี้ยมันแพงนะไม่ใช่ถูกถูกเป็นของดี ใจเราก็ควรจะเป็นงั้นนะฝึกมาทั้งทีนะก็ควรไปจิตที่เรียกว่าสะเทินน้ำสะเทินบกเจอหนาวเจอร้อนเจอเสียงดังเจอผู้คนส่งเสียงกระซึกงวุ่นวายใจก็ยังเป็นปกติได้หรือยังน้อยก็พยายามทาให้พยายามไปทางนั้นอย่างเช่าสวดว่าจิตของผู้ใด อารกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่ไม่ซอสวกไร้ทุลิกิเลสเนี่ยนั่นก็คือจิตของผู้ที่ฝึกมาดีแล้วลกกนะรกธรรมก็ได้แก่ได้ลาบเสือ่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสาเสินินทาสุขทุกข์รวมทั้งผัสสะที่ ปัญหรือภาษาที่หยาบรูปและกลิ่นเสียงที่น่าพอใจหรือว่ารูปและกลิ่นเสียงที่ไม่น่าพอใจก็เหมือนกันก็เป็นโล ก, กธรรมทั้งบวกและลบเราห้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มากระทบไม่ให้เกิดกับเราไม่ได้แต่ว่าเราสามารถรักษาใจของเราได้เหมือนกับดอกบัวเนี่ยหรือใบบัวเนี่ยไม่สามารถจะห้ามไม่ให้ฝนตก ฝนก็ตกมากระทบแต่ว่าไม่เคยฉาบให้เปียกได้เลยนะจะไปบอกว่าฝนยาตกทำไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้คือว่านะมีของดีคอยฉาบให้ใบบัวดอกบัวเนี่ยนะน้ำนี่ไม่สามารถจะมาทำให้เปื้อนได้นะพุทธเจ้าเนี่ยจึงเปรียก ของผู้ที่สุดพ้นอิสระแล้วเนี่ยเเปรียบเหมือนกับนะดอกบัวใบบัวโลกธรรมไม่อาจฉาบให้เปื้อนกิเลสไม่อาจนะกระทบให้ทุกได้ไปห้ามโลกธรรมห้ามไม่ได้นะโดยพระโลกธรรมฝ่ายลบนะถ้าไม่ให้เขาตำหนิต่อว่าหรือว่าสกัดกั้นไม่ให้มีการเสื่อมเสียทรัพย์ เสียราบเสียยศเนี่ยก็ทำได้บ้างแต่ว่าไม่สามารถจะหยุดยัง้งหรือห้ามได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เราทำได้คือเรารักษาใจของเราไม่ให้วันไหวที่จริงโลกธรรมที่หนักหนักแรงแร ง, แรงนี่มันกำลังรอเราอยู่นะ สิ่งที่เราเจอเมื่อคืนนี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเสียงมหรสพเสียงเพลงจริจริงก็เบาแล้วนะเพราะสมัยก่อนนี่จนถึงทําวัดเช้าเลยก็ยังเสียงก็ยังไม่เลิกทําวัดไปก็มีเสียงดังจากหมู่บ้านไปสมัยก่อนก็มีการใช้นางกลางแปลงเลยเพราะงานศพหรือว่างานบรรจุธาตเนี่ยยิ่งช่วงหน้าหนาวนี่เสียงดังชัดดี ประมาณมั ก, กรากุมพาเนียจะมีงานแบบนี้เนี่ยถี่มากแล้วก็ไม่ใช่แค่ยุติเอาตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนะเาถึงเช้าเลยบางทีบินธบานี่ชาวบ้านนีก็เพิ่งเลิกนะเพิ่งเลิกจากการดูฉายหนังกลางแปลงหนังเพิ่งจบไม่มีใครใส่บาทนะเพราะว่ากลับบ้านนี่เช้าตู่เลย บางทีมีคนใส่บาแทแค่สองสาคนเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะก็คือว่าแค่เช่งคืนตีหนึ่งก็หยุดแล้วนะให้เรามองว่ามันเป็นการเป็นการฝึกใจเรานะสำหรับคนที่รู้สึกไม่ชอบเนี่ยก็ให้เห็นความไม่ชอบเห็นใจที่มันผักใส ถ้าไม่เห็นตรงนี้นี่ก็ถือว่าสติเรายัางอ่อนนะถ้าอยู่มาเป็นปีแล้วยังไม่เห็นใจที่มันไม่ชอบใจที่มันผักสายเสียงเนี่ยก็แสดงว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่หรือว่าปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่เป็นการโจรสตนะิเมื่อมีสติเห็นใจที่ผักสายใจที่ต่อแล่วต่อเสียงกับเสียงนั้น ใช่เห็นเนี่ยใจยมันก็กลับมาเป็นปกตินะอันนี้เราฝึกใจให้เป็นกลางนะไม่ใช่ไปไปบังคับเขาแต่ว่าเกิดจากการที่รู้สึกตัวมีสติทันใจมันก็กลับมาเป็นปกติเสียงดังก็ดังไปนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เพราะความทุกข์มันเกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะได้ยินเสียงแต่เกิดจากการที่ใจเนี่ยไปผักสายต่อต้านเกิดจากใจที่ไม่ชอบซึ่งก็คือความปรุงแต่งนั่นแหล ะ, ละการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ฝึกเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะเวลาที่เรานอ น, อน แลมีเสียงดังมาทั้งคืนเนี่ยนะอันนั้นแหละก็คือโอกาสที่เราต้องรีบฉวยเพื่อฝึกสติจะสร้างจังหวะขณะที่นอนจะคลึงนิ้วหรือว่าจะฝึกให้มีสติรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าเกิขดขณะที่เรานอนแล้วมีเสียงดัง อย่างเมื่อคืนเนี่ยเรายกจมมือสร้างจังหวะให้รู้กายอันนี้เราก็เรียกว่ากายอยนุ ป, ปั ส, สนามีความรู้สึกตัวขณะที่กายเคลื่อนไหวรู้ตัวว่ากายทำอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะไม่ได้คึงนิ้วจะว่าเรามีสติรู้ทันใจที่ไม่ชอบใจที่เป็นทุกข์กับเสียงอันนี้ก็เรียกว่าเรากำลังเจริญจิตตานุ ป, ปัสนา ก็คือรู้ทันรู้ว่าจิตตอนนี้มีโลคะมีโลมีโลามีราคะมีโทสะหรือไม่ไม่ใช่ปล่อยให้มันปล่อยให้โทสะความหงุดหงิดหรือนิวรปฏิฆะพยาบาทมันครอมงำเล่นงานจิตใจแล้วก็ยังทุกข์ร้อนแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความโกรธ ด, ดากลดาเนะจ้าของงานอันนี้ ก็ถ้าว่าเราพาจิตของเราเนี่ยเข้าสู่อบายสู่อนสู่สู่นรกเลยนะเจ้าของงานก็มีความสุขดีแต่ว่าเราลงนรกไปซะแล้วนะไม่ใช่เพราะเขาแต่เพราะเราเพราะปล่อยให้ใจปล่อยให้อารมณ์อกุศลเหล่านั้นเนี่ยมันทิ่มแทงเผาลนจิตใจเรา สังเกตดีๆมันจะมีตัวหนึ่งนะความคิดตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่ทำให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นและทำให้เราหงุดหงิดโมโหมากขึ้นความคิดนั้นก็เช่นว่าไม่น่าเปิดเสียงดังอย่างนี้เลยนะน่าจะเปิดเบาๆหน่อยนะไม่น่าเปิดเสียงดังไม่น่าจะรบกวนนะ ไอ้คำว่าไม่น่าเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ได้ง่ายมากนะถ้าเราใช้ไม่ถูกเนี่ยเช่นเวลารถติดเนี่ยก็ไม่น่าเลยทําไมไฟแดงมันนานอย่างนี้นีไม่น่ามาเส้นนี้เลยเนี่ยพอคิดแบบนี้มันซ้ําเติม เ, เรานะ่ด้วยเพราะ เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เหมือนกันนะผ่านไปแล้วโทรศัพท์ถูกขโมยไปแล้วหรือว่ากุญแจรถหายแค่นี้ก็พอแรงแล้วก็ยังบอกไม่น่านะไม่น่าไปวางตรงนั้นเลยพอมีคาว่าไม่น่ามันยิ่งทุกข์นะคำว่าไม่น่าเ น, นะนี่ยถ้าใช้ให้ถูกเวลานี่มันดีนะเช่นเวลาเราจะวางแผนเนี่ยเออ ก็มีการถกเถียงกันว่าจะจัดวันไหนดีบางคนก็บอกไม่น่าจัดวันนี้น่าจัดวันนี้มากกว่าเอออย่างนี้ดีนะมันมีการถกเถียงก็ทําให้เราหาวันที่ดีที่เหมาะที่สุดแต่ถ้าเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วแล้วบอกไม่น่าเลยเนี่ยนะมันทุกข์มากนะหรือเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นเฉพาะนะ่เาเบอกไม่น่าเลยเนี่ย อยนางนี้ทำให้เราเนี่ยเกิดความไม่พอใจมากขึ้นกลังบรรยายอยู่มีเสียงคนคุยกันข้างล่างมีเสียงโทรศัพท์ดังบนสาราเขาไม่น่าคุยเลยเขาน่าจะคอรับสถานที่เขาน่าจะปิดเสียงโทรศัพท์เนี่ยพอคิดแบบนี้มันโกรธเลยนะจิตก็จะไม่พอใจต้นเสียงมากขึ้น เสรแล้วใครทุกข์นะตัวเองก็ทุกข์แทนที่เราจะเือเออไม่น่าเลยเราลองเปลี่ยนไหมว่าเออเราควรจะทําอย่างไรไม่น่าวางโทรศัพท์ไม่เป็นที่เลยเปลี่ยนใหม่เป็นว่าเออต่อไปนี้ฉันจะวางให้เป็นที่อันนี้เราสรุปบทเรียนเป็นประโยชน์สําหรับวันข้างหน้า แต่พอเราบน่นคิดจาคำว่าไม่น่าไม่น่าเนี่ยมันทำให้เราย้อนกลับไปอดีตแล้วก็เป็นทุกข์อาลัยอาวรกับอดีตอันนี้พระเจ้าก็ไม่สนับสนุนนะบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลายัยแต่ถ้านึกถึงอดีตเพื่อหาบทเรียนปรับปรุงอันนี้ดีนะควรทำแต่ถ้าไปนึกถึงอดีตเพื่อด้วยความอาลายัย อันนี้ไม่ถูกเป็นสมองเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันมีอา ร, ารมณ์อะไรต่ามากระทบแล้วคิดว่าไม่น่าไม่น่าเ น, นี่ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะมันทําให้จิตเราเนี่ยส่งออกนอกมากขึ้นขาไม่น่าส่งเปิดเสียงดังเลยเขานอาจะหลีเสียงกันนี้เนี่ยจิตมันส่งออกนอกแล้วแทนที่จะบอกว่าทําไมเขาไม่ เปิดเสียงให้เบาวกว่า น, นี้นะทำไมเขาเปิดเสียงดังเราย้อนกลับมาถามตัวเองดีกว่าทําไมต้องหงุดหงิดนะกับเสียงเหล่านั้นคนไม่ค่อยถามนะไม่ค่อยถามตัวเองว่าทําไมเราต้องโกรธเพราะรถติดทําไมต้องหงุดหงิดโมโหกับคําพูดของเขาแต่เราไม่จะคิดแต่เพียงว่าทําไมเขาพูดแบบนั้นทำไมก็ทําแบบนั้น คำถามแบบนี้มันทำให้จิตเราส่งออกนอกแล้วเราก็เลยพลาดการแก้ที่สาเหตุก็คือที่ใจเราเป็นสาเหตุหลักทำไมเราต้องโกรธนะที่เขาพูดแบบนั้นทำไม า, าต้องหงุดหงิดนะที่รถติดที่เสียงดังนะถ้าเรามาถามตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มกลับมาที่แก้กลับมาที่การแก้ที่ใจของเรา ไปเล็กร้องคนอื่นไม่มีประโยชน์มีประโยชน์น้อยนะต้องกลับมาเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนงั้นทําเมื่อคืนเนี่ยนะเกิดว่าเราหงุดหงิดแล้วเราก็บ่นกลดานะเสียงอันนี้ก็แสดงว่าเรานะยังมัวส่งจิตออกนอกไม่กลับมาดูใจของเราการปฏิบัติของเราก็ อาจจะผิดทางนะหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำให้ดีเพียงพอลองใช้เป็นโอกาสในการฝึกนะให้เราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาก็ได้เราจะแค่ฝึกจิตแล้วฝึกว่าเออมันธรรมดานะเลิกฝึกให้เป็นให้มองในบวกในทางบวกก็กได้ แทนที่จะมองว่ามันมารบกวนเราเสียงนี้ก็มองว่ามันมากล่อมเราถ้าเราฝึกจิต ด, ดีเราสามารถจะทําให้เสียงเหล่านี้นกลายเป็นเสียงกล่อมได้นะเหมือนกับบางคนที่ราคาญเสียงกลรนของเพื่อนราคาญแต่พอนึกถึงคําสอนหลวงพ่อชาว่าเนี่ยเสียงไม่รบกวนเราเราไปรบกวนเสียงต่างหากได้สติเลยนะ แล้วเขาก็นึกว่าเสียงกลอมเป็นเสียงเพลงนะอันนี้ก็เป็นการปรุงแต่งนะเป็นการปรุงแต่งแต่เป็นการปรุงแต่งฝ่ายกุศลเพราะว่าพอเกว่าเป็นเสียงเพลงแล้วก็ไม่โกรธแล้วแล้วก็หลับได้นะอย่าไปยึดติดหรือไปจมอยู่กับนะความคิดว่ามันรบกวนเรามันรบกวนเราถ้าไปยึดติดตรงนั้นเนี่ย ใจเราไม่ไปไหนนะใจเราก็ล ง, ลงนรกไปเลยเพราะว่าเป็นทุกข์ถูกไฟโทสะเผาผลาญต้องฉลาดนะั้ในการมองฉลาดว่าเออนี่เขามาฝึกจิตของเราฝึกให้เรามีสติฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางฝึกให้เราวางใจเป็นกลางนะฝึกให้เราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาหรือฝึกให้เราเนี่ยลองเปลี่ยนจากลบเป็นบวก จากเสียงรบกวนกลายเป็นเสียงกล่อมนะีอันนี้คือความหมายนึงกับที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเขียนบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนทุกให้เป็นความไม่ทุกนะได้ยินหลวงพ่อเทศนะคำนี้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่พอเจอเสียงแบบนี้ก็ทุกทุกทีไม่รู้จักเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงดังให้เป็นเสียงกล่อมนะี่อันนี้คือความหมายของ ความหมายนึ่งของคำว่าเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนสิ่งรบกวนให้เป็นการฝึกใจเราต้องฉลาดแบบนี้นะไม่งั้นเราก็จะอ่อนแอนะยิ่งฝึกไปยิ่งอ่อนแออะไรมากระทบก็ไม่ได้อะไรมาสะกิดก็ไม่ได้ชาวบ้านในหมู่บ้านเขานอนหลับสบายแต่ว่านักปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นกิโลนอนกระสับกระส่าย นี่แสดงว่าแยกกับชาวบ้านชาวบ้านคนหลับสบายเลยชาวบ้านหลายคนเป็นพวกลอนเล่ต้องไปนอนใต้ใต้สะพานในกรุงเทพลดล่นทั้งคืนทั้งวันหลับได้แต่เราเจอเสียงแค่นี้หลับไม่ได้แสดงว่ามันอ่อนแอนะกว่ากว่าคนกว่าชาวบ้านที่เขาไม่ได้ฝึกด้วยซ้ํา เอาละช้านียพูดกันเท่านี้นะับครับ